มีพระใหม่อยู่หลายรูปวนะันนี้เราลงปฏิโมกก็คือเหมือนกับว่าทำสามีกิจแล้ ว, ลวก็พระสงก็ได้มารวมตัวกันนะเป็นวันพระทุกทุกปัก15วันเราก็มาเจอหน้ากันทบทวนพระวินัย ที่นีเราทำเป็นบาลีไทยบางคำก็คำทับจับเป็นบาลีบางคำก็เป็นภาษาไทยอ่านง่ายหลายที่ก็จะเป็นบาลีล้วนๆบางทีก็มีแพระที่ท่านสวดบาลีได้ทั้งหมด ทงการสวดเป็นภาษาบาลีโดยใช้ความจำใช้สมองทั้งหมดของเราก็ใช้เป็นบาลีไทยธรรม ะ, ะวิทยนคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นคำตอบกับพระ อ, รอนนท์ว่า พระธรรมกับพระวินั ย, นยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ในการต่อไปภาคหน้าพุศสนาะอยู่ได้ก็ใช้ธรรมะกับพระวินัยเราเลยมีการทบทวนกันบ่อยๆในว่าภาษาไทยนี่ฟังชัดมากรู้ความหมายได้ชัดแต่บางอย่างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างอาตมาก็ยังไม่เข้าใจหลายอย่าง มันคืออะไรกันนาะมันคืออะไรกันเนาะสันถัดอย่างเงี้ยมันคืออะไรนาะสันถัดรวมันคือที่นั่งของพระทีอินเดียสันถัดแล้วมันหล่ออย่างไงกันมีขนเจียมเป็นยังไงนาะขนเจียมบางอย่างไม่เข้าใจเคยฟังหลายทีเดี๋วนี้ยังไม่เข้าใจมันเป็นอะไรขนอะไรขนเจียม แต่เราก็ยังสวดกันอยู่ตอนนี้นใจกันอยู่หลายอย่างพนันเราก็เลยเรียกว่าฟังๆผ่านๆกันไปแต่ตัวหนึ่งเนะี่ยที่เราจะต้องชัดเจนเลยหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อมเขียนแล้วว่าอีกหลายรูปนะในบางไทยท่านบอกว่าตัวสติอะไรคือวินยัย ถ้ามีสติแล้วมันเกิดเป็นอริยวินัยถ้ามีสติถ้าเป็นปรมาสติมันก็ทให้เกิดศีลมีสติมันทำไมเกิดความเป็นปกติความเป็นปกติก็ไม่ได้ไปทําอะไรทิมผิดนะมัเป็นความงามเป็นสิริเป็นสิริมงคลอย่างนี้นะประเด็นการฝึกสติเมื่อกี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะ ประเด็นเล่าหนาะทิวาอาจารย์หนุ่ม mm hmm. ここเห็นว่าเออก่อนที่จะศึกกันศึกหาลาเพศมาปฏิบัติธรรมกันดีไหมอย่างเงี้ยก็เลยนําเสนอเป็นประเด็นก็ mm hmm. ここเห็นว่าดีเพราะว่ามันไม่เคว้งคว้างดี mm hmm. ก่อนที่จะศึก mm hmm. ก็ลองปฏิบัติดูย mm hmm. อย่าถือว่าถูกอย่าถือว่าผิดถือว่าเป็นประสบการณ์ดี เพราะว่าเราเห็นปฏิบัติก็คือการกลับมานะเห็นว่าการกลับมาอยู่ในกรอบบางอย่างกฎกำหนดหรือว่ากฎกติกาหมาย mm hmm. กฎหมายมันเป็นเรื่องของการอยู่ในกรอบกำหนดแล้วแต่แต่นนี้กฎของธรรมชาติมันก็มีนะกฎของธรรมชาติ ประดติดธรรมนีมเข้าถึงกฎของธรรมชาติกฎธรรมดาที่เป็นความจริงที่เราไม่ค่อยได้เห็นมันจริงๆอะ่ะจะในการเกิดดับของกายนะเรียกว่ารูปธรรมแล้วก็ภายในภายนอกลปลดกลิ่นเสียงต่างๆที่เราอยู่กับโลกทั้งใบ่ะนะชื่อว่าสุขชื่อว่าทุกขเวลาถ้าเราไม่ได้คำตอบชัดเจน เนื่องจากปัญญามันไม่สุ ข, ขุมรอบคอบมันก็จะรีบหลงเข้าไปจําเป็นสุเป็นทุกข์มากมายเหลือเกินเราก็เลยว่าบางทีเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาของเรานะเหมือนจะมีความสุขแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันเหมือนกับจะใช่แต่มันก็ไม่ใช่อยู่ดี มันเหมือนจะได้อะไรสักอย่างแต่มันก็ไม่ได้ความสุขเป็นอย่างนั้นลักษณะอย่างความรักยิ่งวิ่งไล่มันยิ่งวิ่งหนีพอหยุดมันยังมันกลับมาเฉยเลยความรักเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่ยิ่งวิ่งไล่ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้มันซับก็เหมือนกันต้องการยอดเงินดําจีเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่พอสักทีวิ่งแลเงาตัวเอง หลายอย่งเรียกว่าอยากได้โลกทั้งใบเรียกว่าได้ถึงได้ขนาดไหนก็าตามวัตถุหนึ่ง 3, บุคคลหนึ่งสออยู่คนเดียวมันเหงาว่าเ ว, ม, ม, วมันไม่อิ่มบอกไม่ถูกต้องหาสันนการต่างๆหางานทำงานในเหลขกหรือว่าเลื่นเริ่มเติงใจต่างๆให้มันผ่านไปวันๆ พยายามที่จะเอาเข้ามาปัะตูหนึ่งสองสามบคหนึ่งสองสามมยาวสาวได้สาวเอามีปัญญามากครับเปรียบกัมีบัญญาน้อยแกก็ตายขาราชสีข้าดิสิกลแกแกสัต์เดรชาญแกก็แกล้นป่าแกก็แกล ะ, กะมันชน แกข้าราชการชั้นพูดน้อย<ม>กะไล่กันไปมากมายเหลือเกินขาน้าในกษัตริย<ม>์ของโลกข้า<ม>ในจักรพรรดิของโลกตายสุดตายเน่าเข้าลงหมดเ<ม>ลย ว, ว่าเอาเข้ามามันก็ดีแต่ผก็ไม่ใช่จะทำให้เรามีความสุข เราหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดการให้เกิดมามากมายเหลือเกินวัตถุหนึ่งสองสบุคคลหนสาวเรียกว่าบุญทําบุญให้วัตถุสิ่งของให้แรงกายแรงใจอะไรต่างๆถ้าช่วยอะไรเราก็ช่วยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างๆแต่บางทีให้แล้วก็กลายเป็นโทษให้แล้วก็ก็เนลขุนตอบ ให้แล้ว ก, ก็ผิดสัญญา mm hmm. ขอยืมกลายเป็นขอลืม mm hmm. จะทวงก็อายจะไม่ทวงก็เสียดาย mm hmm. อหลักอีเหลือเกินไม่เข้าใครไม่ออกบางทีก็กลายเป็นศัตรูกันไปเลย mm hmm. ให้แล้วก็ทรยศหักหน้าหักหลังในละคุณ mm hmm. ไม่กระตันยูตอบ mm hmm. มากมายเหลือเกิน ทีมันก็เกิดการเขล็ดลาขึ้นมาเอาก็ไม่อยากเอาให้ก็ไม่อยากให้เอาก็เห็นมีความสุขให้ก็เห็นมีความสุขบางทีก็เก็บเนื้อเก็บตัวไปไหนไปคนเดียวมากมายเหลือเกินหิยหาหิวไม่รู้ตรงไหนคือความสุขสเปซสปาไปเรื่อยบาทีก็ หลนก็จงทำให้นั่นสิมีความสุขทําหนี่สิมีความสุ ข, สสข mm hmm. ไปร่วมกิจกรรมมีความสุขไปเข้าแคมป์สิมีความสุขไปร่วมกวนนมีความสุขนนาสารพัด mm hmm. บางคนถึงขั้นนะซื้อเครื่องเล่นกีฬาดีๆ mm hmm. เครื่องล่อนบ้างสารพัด mm hmm. เดือใบไล่เสียงเครื่องยนต์ mm hmm. ปีนขาวปีนถ้ำ บางคนในสาใจนะปีนอย่างระมัดระวังขึ้นไปจนเทือกเขาที่มันปีนยากที่สุดเนี่ยปีนไปขึ้นถึงยอดได้เอาถงชาติไปปักก็มีมท้าสุดก็ไต่ลูกสูงไปทำลายสถิติเก่าแล้วท้ายสุดก็ือก้างโดยไม่ตายก็มาไม่ได้กลับมาอีกเลย ไปเที่ยวป่าเที่ยวเขานอนกลางเต้นในป่าลึกบรรณาอุทยานดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกทะเลหมอกได้ถ่ายรูปได้เก็บข้อมูลเอาไว้ส่วนตัวแล้วก็มีความสุขมากมายเหลือเกินที่มันจะโจนให้เราไปหาความสุขนอกตัวบางคนก็ไปจนเบื่อละ ที่ไหนก็ไปจนระทังใครมาคุยอวดเราเราก็รู้หมดอาปากเอ็นลิ้นไก่ก็ยังไม่มีความสุขถอนหายใจอยู่คนเดียวเหงาว้าเวบอกไม่ถูกขาดอะไรก็ไม่รู้ไม่อิ่ม อ, อกอิ่มใจจริงๆไม่มีอะไรราขาดกรรมฐ า, านโนะ่นนะั้นนะะอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันอยู่ที่วัดเนี่ยแต่ใครยังอยู่แล้วคิดว่ามัน ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องงุนขาดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นทําไมไม่เป็นอย่างที่เราคิดวาดฝันว่ามาแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยงน้นเนแล้วมันไม่ใช่ตรงนี้แหละมารำบอกถึงเราขาดกรรมฐานแต่เราใจของเราไว้กับความรู้สึกตัวมันไม่มีความคิดแบบนี้หรอกมันไม่มีอารมณ์แบบนั้นหรอกมันมีกลับมาหาตัวเองไม่อยู่ความคิดไม่ไปปรุงไปแต่ง มันก็เลยสบายสบายเจ็ดวันเว้นซ้อมดนตรีการเล่นชาา3วันจากนาลีเป็นอื่น1วันเว้นการท่องการขีดการเขียนอักขระหนีหายหายหมดอ่านกอ่านไม่ออกเขียนก็เขียนไม่เป็นมันต้องฝึกซ้อมกันจนคล่องตัวทุกวัน ฝึกสติมดีกว่าท่านฝึกสตินะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมีที่พักพิงมีที่พึ่งอบปุ่นทีเดียวเวลามีความรู้สึกตัวมันจะเป็นเป็นที่พึ่งจากภายในแล้วเราก็สามารถพึ่งมันได้ด้วยจิตปกติจิตปกติแหละมันทําให้เกิด ศีนขึ้นมาเวลารู้สึกตัวนั่นแหละจิตนถึงปกติเวลาเคลื่อนไหวนั่นแหละมันผลิตความรู้สึกตัวหยาบหยาการยกมือ14บส่จังหวะเคลื่อนไหวแนละเจตนาเคลื่อนอย่างนี้เราเรียกว่ากรรมฐานชน ท, ที่มันรวดเร็วทันอกทันใจคู่ปรับก็คือเวลามันหลงเผลอนะเป็นคู่ปรับคําว่าคู่แล้วก็ปรับนั่นแหละ ก็คือไม่หลงไหลไปตามันนะก็ปรับมาทุกครั้งที่มันไหลไปก็ปรับกลับมาเอากลับมาปฏิปฏิบัติเอากลับม า, บากลับม า, บมาทำก็คือธรรมดาธรรมดาฐานกายกำหนดฐานกายกลับมาที่ฐานกายกำห น, นดลมหายใจกลับมาที่ลมหายใจเสียงี้จากอยู่ก็ลมหายใจจะมันรู้ลมหายใจจะมันดูลมหายใจจะมันดู ล, ดละวาง วางลมหายใจเคลื่อนมือกมันอยู่กับมือก่อนจนมันรู้ที่มือจนมันดูมืออยู่รู้ดูอัน <c oughs> นั้นแหะมันถึงจะเกิดการปล่อยการวางว่างวางรู้ว่างรู้เฉรู้เฉ ร, ฉรู้รู้ก็รู้ซื่อซื่อรู้แล้วก็ไม่เอาความพอใจไม่พอใจมันจะเป็นอย่างนี้แหละ อย่างอื่นเ่นความง่วงเ่นความเบื่อเ่นความคิดพิพาวิจารณ์มองไปนอกตัวอะไรก็ตามเถอะก็ปรับกลั บ, ลบมาปรับแล้วก็กลับมาหาความเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดางการเคลืข garments, ข่อนการไหวเกลงกายตึงหย่อนเคลื่อนหยุด เราก็รู้ไปตามความเป็นจริงมันก็จะค่อยเห็นอารมณ์ปฏิบัติตามระดับขั้นตอนของมันอย่างนะั้นะก็เกล่นไว้ให้ค่าเวลาตอนนี้มีเวลาอยู่ประมาณ20นาทีก็จะกราบนิมอนต์อารัตนานาพระด็อกเตอร์ลองได้เล่าถึงความเป็นอยู่ที่มาอยู่ที่นี่ อย่างไรบ้างในเพราะกรรมฐานฝึกแล้วเป็นอย่างไรบ้างเห็นประโยชน์ไหมว่าการบวชแล้วก็เข้าสู่กรบวนการปฏิบัตินอกจากธรรวัดเช้าทรรวัดเย็นบิณบาตฝ่าลานวัดเทถูสาราในมีโอกาสลงปฏิโมกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้าง นั้นเดี๋ยวกลาวอรัตนาครับผมในเราให้เพื่อนๆได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจจะได้เกิดศรัทธาราษาทะแล้วก็เดินไปในล่องรอยที่ควรต่อไปเหมือนเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์อาจารย์วชัยพานำสวดก็คือบัรประชิตควรพิจารณาหนึ่งนงบอย่างอะไรยางแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราก็ได้นำมา ฝึตนสอนตนเห็นพนาการมันจริงไหมอย่างนี้ด็อกเตอร์เนี่ยก็ถือ ว, ว่าจบสูงสุดในการศึกษาตรีโทแล้วก็เอกถ้าเป็นลนักษณะของในทางพระเนี่ยก็ถือว่าเป็นปหาหน้าปริญญาอย่าง น, นปะปหาหน้าคือตัดทันทีตัดทันทีในสิ่งที่มันไม่ดี ปารานปริญญาเนี่ยด็อกเตอร์คิดปั๊บตัดปั๊บคิดทันทีตัดทันทีเหมือนกันมันตัดมันตัดกับมันเองสติเราไม่ได้เจตนาเพราะดันปฏิบัติแล้วเป็นไงบ้างอยู่กับความรู้สึกตัวได้ไหมอยู่กับตัวเองได้ไหมรู้ทันไหมเวลามันรู้สึกตัวรู้ทันความคิดไหมลำคิดทันไหม แล้วดมนเป็นแล้วนะดูแลเห็นสภาวะตา่ตางๆตา่ตางความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้อ ง, องเกี่ยวข้องได้เห็นเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่กูไม่ใช่เรานะไม่ใช่คิดดูแต่ว่ามันสัมผัสแล้วเห็นอย่างนั้นจริงๆกลับอาราธนาเนี่เหมือนกับกรับคระวะน้อม ราตรไกรพระเจจิอาจารย์หลวงพ่อเตียนหลวงพ่อคำเขียนพระอาจารย์ทรงศิลป์อาจารย์ตรวัชชัยและก็เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรแม่ชีและก็พุทธศาสนิกชนที่ผู้ใครในธรรมทุกท่าน อันนี้ก็นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ปริพุกุลท่านระาชารย์ทรงเสน็นได้ให้อตมาฤกษกระผมได้มากล่าวในช่วงระยะเวลาที่ได้มาบวชอยู่ที่วัดสุขโตแห่งนี้อตมาฤกษกระผมได้บวชเมื่อวันที่28เดือนมีนาคมนับถึงวันนี้ก็ ยี่สิบกว่าวันละกำหนดการก็จะวัดหนึ่งเดือนซึ่งก็าลาจากการปฏิบัติราชการมาได้หนึ่งเดือนก่อนอื่นก็จะขออนุญาตเล่าให้ทุกท่านได้ทราบเบื้องหลังนิดหนึ่งก็จริงๆแล้ว ก่อนก่อนมากับปัจจุบันเนี่ยจะรู้สึกแตกต่างกันมากเนื่องจากว่าแต่ก่อนไม่ว่าตั้งแต่สมัยทำงานก็ดีหรือสมัยเรียนก็ดีปกติแล้วเขาว่าคนที่จบด็อกเตอร์นี่จะพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องจะไม่เชื่อคนตัวคนอื่นบางครั้งเขาก็แซวว่าบางครั้ง ไม่เชื่อแม้แต่ครูบาอาจารย์แต่ไปเชื่อหมอดู่งก็มีหลายคนเราทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าก่อนตอนที่เรียนด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็จะให้เราให้เราคิดให้เราอ่านมากเพราะฉะนั้นก่อนมากับตอนนี้จะบุคลิกก็จะเป็นคนที่ต้องคิดตลอดเวลา ต้องอ่านต้องคิดอะไรมากๆไม่ว่าจะอยู่ที่ทํางานหรือวอ่าที่การเรียนก็ดีก็จะจะเป็นบุคคลที่จะเมนหยุดนิ่งเมื่อไหร่ที่หยุดคิดหรือว่าหยุดอ่านก็จะเป็นคนที่ไม่ไม่ทันสมัยนั่นก็คือลักษณะงานที่ทําพอจบด็อกเตอร์มาจะมาจบด็อกเตอร์จากคณะแพทย์เพราะนั้นช่วงที่เรียนอยู่อาจารย์ที่มาสอบก็จะเป็น ศาสตราจารย์นายแพทย์แล้วก็บางท่านก็เป็นศาสตราจารย์แพทย์จิติคุณบางท่านก็เป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ที่มีคำว่าราชบัณฑิตตามด้วยซึ่งก็ล้วนแต่เป็นบุคคลที่รู้มากดังนั้นเวลาจะสรุปหรือว่าเขียนอะไรให้กับบคุคคลเหล่านั้นฟังแล้วเขาเชื่อได้ว่าเราได้ไปอ่านจริงมันต้องอ่านมากแะต้องคิดมาก ฉนั้นตลอดระยะเวลาที่เรียน5ปีที่หนักวันนั้นก็คือการจบด็อกเตอร์ต้องเอางานที่เขียนหรือวิจยงานวิจัยที่ว่านั้นไปตีพิมพ์ต่างประเทศซึ่งต้องแปลงจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งไปที่ต่างประเทศไปให้เจนนอลวารสารต่างประเทศเขาตีพิมพ์ถึงจะจบได้ต่อมาก็ส่งงานวิจัยไป ตีพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหนึ่งปีกว่ากว่ า, วาเขาจะปรับแก้ทาไปแล้วเขาบอกว่าผิดเราต้องมาแก้ทั้งภาษาแก้ทั้งสำรนรนแก้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาสเสนอแนะหลือคอมเมนต์มาดังนั้นก็จะเป็นการอยู่กับความคิดตลอดเวลาแล้วก็อยู่กับความทุกข์ความกดดันอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้น คำว่าด็อกเตอร์นี่มันจะเป็นภาษาอังกฤษว่า Ph.D. ตัว P ตัว S และก็ตัวดีก็คือฟิโลโซฟีด็อกเตอรดิจีซึ่งอัตมา ก, ก็จะให้คำนอยางอนว่าตัว P นะันคือต้องเป็นคนที่วางแผนการแผนนิ่งยุดตลอดเวลาต้องวางแผนเวลาตัวเองวางแผนการทำงานวางแผนการเรียนแล้วก็ต้องบางครั้งต้องเบียดเบียน เ, เวลาครอบครัว ไปปลีกตัวอยู่ในห้องสมุดหรือว่าคนเดียวที่จเขียนงานออกมาอยู่กับความคิดตัวเองกับเขียนและก็ตัวเอก็คือ Honda หรือว่าโฮลโคบเรียกว่าความหวังเพราะฉะนั้นคนที่จบลอกเตอร์มันก็จะเป็นที่คาดหวังของครอบครัวของหน่วยงานแล้วก็ของสังคมมันจะอยู่กับความกดดันตลอดนะอยู่กับความทุกข์กลับมาแล้วจะทํา อะไรที่เหมือนกับคนที่ไม่จบก็ค่อนข้างลำบากวางทอนลำบากแล้วก็ตัวดีคือดีเวล็อปเมนต์ก็คือต้องมีการพัฒนามีแอคทีฟต้องเรียนรู้จะตอลอดเวลาถ้าด็อเตอร์บอกว่าไม่รู้นี่ก็จะเสียเพราะนั้นก็จะเห็นแล้วว่าตลอดลระยะเวลาที่ก่อนจะเข้ามาวัดเนี่ยก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งก็รอนแล้วเมื่อมาฟังไม่เปรียบเทียบกับประเดบกุลท่านได้กล่าวมาก็จะเห็นว่าเราแบกทุก โลกไว้ทั้งความบางต่างๆเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้เข้ามาการเรียนด็อกเตอร์ที่ก่อนที่เข้ามาสิ่งที่ได้รับอย่างหนึ่งก็คือนอกจากปริญญาบัตรและก็ความภาคภูมิใจมันก็เป็นความสุขทันยันหนึ่งสิ่งที่ได้มาอีกตัวหนึ่งก็คือการติดกาแฟกาแฟเนี่ยติดมากๆเพราะว่าต้องนอนเด็กเพราะฉะนั้น การปฏิบัติตัว <c oughs> ก่อนเข้ามากับที่นี่จะแตกต่างกันแต่ก่อนเนี่ยจะนอนเด็กตีหนึ่งตีสองเนี่ยถึงถึงจะล้มหัวลงนอนการล้มหัวลงนอนแต่ละครั้งล้มหลับด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะว่ามันคิดมันอ่านมากมันทามานมากต้องหลับด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะนั้นกว่าจะถึงตีหนึ่งตีสองสิ่งที่ช่วยได้เป็นเพื่อนก็คือกาแฟกาแฟที่แต่ก่อนก็เราที่ส่วนมากก็จะเป็นแบบ ทีนวันแต่ว่าที่กระผมเนตามาจินก็จะเป็นแบบกาแฟดำาือคื อ, คอสองช้อนประมาณสองช้อนแล้วก็ใส่น้ำร้อนไม่ต้องใส่น้ำตาลต้องใส่ครีมแบบนั้นเลยนะวันนั้นก็จะหนักมากวัะ น, นั้นหลังจากที่เข้ามาบวชเมื่อวันที่28มีนาคมเริ่มวันแรกมาเข้านาควันที่27วันที่27ก็เริ่มเริ่มไม่ได้กาแฟและพอมาถึงวัน28 29 3วันแรกนี้ มาทําวัดที่นี่กราบลงเหมือนกับอวก้าศหินทุบทุบที่ศีษะไว้มันจะปวดมากเพราะว่าเป็นไมเกรนไม่ได้กินกาแฟจะเป็นไมเกรนเพราะนั้นสมวันแรกเป็นวันที่สู้กับอาการปวดศีรษะแต่ก็พยายามอดทนนะฟังแล้วก็อยู่กับมันพิจรารณามันว่ามันปวดเป็นอย่างไรวันที่สองหนักมาก ก็เลยได้เอาพาราซิตมอนมาช่วยสองเม็ดก็ตื่นลุ่งขึ้นมาวันต่อมาก็โอเคพออาการทุเลาขึ้นแต่ก็ยังมีอาการสลิมสลือหนังตาจะตกแต่ก็พยายามจะพิจารณาสู้กับมันเพราะฉะนั้นการที่เริ่มรับเอาสิ่งข้อปฏิบัติที่ได้รับจากนี้ก็คือการพิจารณาขณะที่เรารู้สึกตอนนั้นจากที่เปรีบคุณท่านครูบาอาจารย์ได้แนะนา การเข้ามาที่นี้ก็เป็นที่ทราบมาก่อนแล้วเนื่องจากว่าตมาเรืกกับผมได้ช่วงที่ทําวิญญาณิพนธ์ก็ได้ศึกษาเรื่องเรื่องสุรา ห, หรือเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เป็นวิญญาณิพนธ์ก็ได้ค้นคว้าหนังสือทั้งในและต่างประเทศก็มาพบหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยพระภัสารวิสาโลไปอ่านแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนที่เขียนนี่เป็นพระ หรือว่าเป็นโยมต้องเปิดไปดูหน้าปกเปิดครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะพระเดชพระคุณท่านเขียนได้เหมือนกับคนที่รู้ซึ้งถึงสุราว่ามันเป็นมาอย่างไงในโลกนี้ได้ดีมากเป็นหนังสืออ้างอิงที่ดีมากวันนั้นก็รู้ว่าพระเดชพระคุณท่านอยู่ที่วัดโสคตัวแห่งนี้มันก็มีความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งเพราะเข้ามาแล้วก็เลยสิ่งแรกระดับแรกก็คือตั้งใจไว้ก็คือหนึ่ง เราจะเอาชนะอาการปวดศิรษะจากการติดกาแฟก็5วันก็ต้องขอโนโมทนาที่อัดวัดกิจวัตรปฏิบัติตอนนี้ช่วยให้เอาชนะกาแฟนั้นได้คิดว่ากลับจากนี้ไปก็จะไม่กลับไปหามันอีกละนะก็เป็นอนิสงส์ตัวหนึ่งอนิอนนนสงส์อีกตัวหนึ่งที่มาปฏิบัติตอนนี้ก็คือสิ่งที่ถูกจริตกับวตมาอย่างยิ่งก็คือ14จงังหวะ เนื่องจากว่าอาตมาก่อนหน้านี้ตอนเป็นสามเณรเหมือนกับบันที่22จะเกิดขึ้นนี้ก็คือเคยบวชเป็นสามเณรจบปถมปีที่6ได้เป็นเป็นเด็กเรียนดีได้ถุนผลเอกเกรมไปเรียนต่อมหแต่ว่าด้วยจากเป็นลูกคนแรกจึงไม่มีใครช่วยพ่อแม่พ่อแม่ก็เลยไม่ให้ได้เรียนต่อ เพรนั้นก็ต้องน้ําตาไหลเวลาเห็นเพื่อนไปเรียนม .1 ม่ได้เรียนพ่อแม่ว่าเออถ้างนั้นก็ปีต่อไปค่อยๆให้ไปเรียนแต่เงินปีนี้ก็กลัวว่าอยู่กับไร่กับนาก็ความรู้ก็จะไปหมดงั้นก็ให้ไปบวชรอก่อนพอไปบวชเป็นสามเณรก็หลวงพ่อก็ไม่ให้ศึกก็บวชต่อเรื่องมาเรียนจนจบม .6 นะจนจบม .6 ทั้งหมด7ปีจาก12ปีถึงสิปี เพราะนั้นก็จะมีพื้นฐานในการปฏิบัติการเรื่องปริยัตมาพอสมควรก็มาที่นี้ก็ต่อเติมในเรื่องของการปฏิบัติเพราะนั้นการปฏิบัติที่ผ่านมาก็จะเห็นการกำหนดลมหายใจซึ่งมาผสมกับการที่ทำงานและการเรียนที่หนักเอาไม่อยู่เพราะว่าความคิดมันจะออกไปแป๊บเดียวความคิดจะไปละไปไกลละพอมาทํา14่จังหวะ รู้สึกจะดึงเอาความคิดตัวนั้นที่มันล่องลอยไปหรือที่มันชิดไปกับการกับการเรียนกับอนาคตรหรือว่าสิ่งต่างๆเข้ามาได้เร็วเข้ามาได้เร็วมากมันถ้าเปรียบมันกับทฤษฎีของต่างประเทศเขาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียเขาบอกว่าคนเราจะรู้สึกหรือว่ามีการตอบสนองต้องมีสิ่งเราหรือสิ่งกระตุ้นเขาเรียกว่าทฤษฎี Uh, Response uh, b e นะฮะ o r uh, คือมีการพฤติกรรมการตอบสนองแต่ฝรั่งเขาคิดได้เช่นเขาทดลองเอากันหลิ่งสั่นแล้วก็ให้อาหารสุนักเวลาทำนานๆเข้าเวลาสุนักมันได้ยินเสียงกระดิ่งน้ำน้ำลายมันจะไหลจะมีการตอบสนองก็เป็นทฤษฎีนั้นเช่นเดียวกันแต่ฝรั่งก็รู้เชิงที่ว่ามีการตอบสนองแล้วก็สมทบกับ อาการรู้เหล่านั้นส่งเสริมอาการรู้เหล่านั้นแต่ที่วัดแห่งนี้หรือว่าพระุทธเจ้าได้สอนไว้ก็คือการรู้เพราะว่าพอเรามีอารมณ์หรือมีความคิดเราก็ไปคิดตามไปต่อเติมมันไปเสริมมันแต่พระที่นี่กับสอนว่าอย่าไปคิดตามมันให้รู้มันเพราะฉะนั้นก็ที่ผ่านมาก็จะพยายามจะคิดอะไรแล้วก็จะตามมันจะหยุดไม่ค่อยอยู่จะไม่ค่อยรู้ ช่วงระยะสิบวันแรกธรรมาเล็กกับผมก็จะพยายามรู้ความคิดโดยการเล่นซ่อนหาเล่นซ่อนหากับความคิดตัวเองเพราะว่าพอนั่งภาวนาไปก็จะคิดดิ้นลอยไปละกับงานหรือห่วงงานอยู่หลายงานพอรู้ปุ๊บก็เหมือนกับเราเล่นซ่อนหาว่าออเอ้อเจ้าเอกเรารู้เจ้าแล้วให้กลับมาอยู่อย่างนี้ตลอดประมาณ10วันจงนั เพราะหลังๆมาก็จะไม่เอาไม่ค่อยอยู่เอาไม่ค่อยอยู่ก็เลยถ้าเป็นปัจจุบันในเขาเรียกว่าจัดหนักก็คือจะเดินจยกลมทุกวันทุกวันนี้ก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมานี่หลังจากฉันวัตรหารเช้าเสร็จเนี่ยจะมาก็จ ะ, จะเดินจงกลมระหว่างหน้ากติชอสามไปถึงอีกุติหนึ่งประมาณไปลับประมาณ50เมตร จะเดินอยู่ประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงจนได้เหงื่อทุกวันเพราะว่านั่งเอาไม่อยู่เพราะความชิดมันจะไปก็พยายามที่จะจัดหนักให้มันแล้วพอตอนบ่ายๆก็จะลงมาปัดกวาดปัดตาดอัตมากวาดจนใบไม้ตัวนั้นไม่มีสุดท้ายจะมีเหลือเป็นบางบางแห่งถนนตรนนั้นจะเป็นบางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะช่วงที่ผ่านมาจะฝนตกหนักแล้วตอนนั้นจะเป็นแอ่งน้ํา เป็นดินโครนต่อมาก็จะพยายามกวาดเอาก้อนหินที่มันเวลาเรากวาดเพื่จะเห็นก้อนหินเป็นก้อนๆ น, นะเอามากลบตัวนั้นตอนนีไ้ไปดูตอนนี้ก้อนหินจะเต็มแอ่งตอนนั้นละเพราะว่าพยายามจัดหนักมันเพราะว่าถ้าไม่ทําหนักๆเลยอย่างนั้นนะความชิดเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็คื อ, อที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าระยะเวลาในการปฏิบัติก็ตอนนี้ก็จะมา20วันก็อาจจะเป็นระยะที่สั้น แต่ว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาก็ได้อานิสงส์หลายอย่างที่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นจิตวัตรหนึ่งที่พยายามทําประจําชื่อว่าจะเกิดเป็นบุญกุศลในระยะสั้นก็คือเพื่อความมุ่งหวของญาติโยมหรือบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ให้มาบวชก็คือการทําจิตวัตรของสงฆ์ไม่บกพร่องไม่ว่าจะเป็นการบินฑบาตการช่วยเหลือจิตกรรมของ <c oughs> ทางวัดหรือการเข้ามาทําวัดสวดมนต์ต้นนี้ก็จะพยายามไม่ขาด จะมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นในสูงก็สรุปแล้วว่าระยะเวลาอีกประมาณ10บวันเมื่อตอนไปลงทำสวดปฏิโมกข์ปรีบคุณท่านาก็กล่าวว่าพระที่จะใกล้จะศึกครวรนที่จะมีการเก็บอารมณ์ในระยะ5ถึง6วันสุดท้ายก็จะเปลี่ยนอีกวารละหนึ่งที่อาตอมาเลยกับผมก็จะเอามาพิจารณาแล้วก็จะดำเนินการทานั้น เพราะฉะนั้นคําสั่งสอนทุกครั้งที่มานั่งฟังตอนนี้หรือทุกครั้งที่ได้รับการแนะนําจากรเรล่าบุคคลท่านโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์ธรรมวชัยท่านจะเป็นประมาจานที่แม่นในตําราที่เก่าวกับผมเคยเรียนมาแล้วก็ทุกคําพูดนะท่านจะมีออกมาจากตําราซึ่งเป็นเหมือนพระวินัยทอนที่ดีมากน ะ, ะคระบเหล่าบุคคลท่านก็จะมี บทเรียนที่เป็นยกตัวอย่างทั้งหอนได้มาเป็นการสังสอนที่ทำให้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดก็อยากจะให้เพื่อสะาธรร ม, มิกทุกท่านโดยที่เป็นพระนบ ก, กะและก็ญาติโยมที่มาปฏิบัติที่นี้พึงระลึกไว้เสมอว่าเราได้สถานที่ได้ครูบาอาจารย์ที่เป็นเลิศแล้ว ในการแนะนำสั่งสอนถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะบอกว่าเป็น out of standing teacher ก็คือมันเหนือมันเหนือกว่า e x ็ e l l e n t มันดีกว่าคำว่า very good ที่เรารู้คือมันอยู่นอก Standard, มาตรฐานทั้งนี้เพราะนั้นท่านที่ที่กล่าวอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการยกย่องเล ย, ย่างใดเพราะว่ามีท่านหลายท่านกล่าวไว้ว่า การได้อ่านหนังสือดีๆสัก1เล่มนะเรามีหนังสือดีๆทั้ง1เล่มได้อ่านจะทำให้เราได้ย่นระยะเวลาในการตัดสินใจได้ถึง10ปีเพราะว่าถ้าเราไปปฏิบัติหรือทำเองนะกว่าจะรู้ใช้เวลาประมาณ10ปีถึงจะรู้แจ้งแต่ว่าพอได้อ่านหนังสือดีๆเล่มๆหนึ่งนะเขาก็จะเขียนเทคนิควิธี ท, ทำอะไรต่างๆไม่ดีมากนั้นการอ่านอ่านหนังสือดี ๆ, ๆเล่มนะึงจะลดระยะเวลาได้10ปี แล้วก็เหนือกว่านั้นก็คือการที่ได้มาฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติด้วยชีวิตของท่านตลอดมาจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านได้ศึกษาตำราต่างๆแล้วเอามาถ่ายทอดหรือมาพูดมาเทศนาให้กับเราฟังทุกเช้าเย็นนะการฟังผู้รู้เช่นนั้น สามารถทําให้เราประหยัดการอ่านหนังสือได้ถึงร้อยเล่มทุกท่านลองคิดดูว่าเราจะย่นระยะเวลาในการปฏิบัติหรือในการรู้จริงได้เร็วขนาดไหนเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จงอยากจะให้ทุกท่านได้กล่าวสาธุอนุโมทนาเป็นการขอบคุณพระเดชพระคุณท่านสาธุขับขอจเจริญพร ก็อย่างที่เราได้ฟังกันมันก็มีคําพูดที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่ทำสมกับเราลึกเอามาแบ่งปันกันเราได้ฟังแล้วก็เออเกิดประโยชน์มีความชื่นชมพอเราเปความชื่นใจฟังแล้วอ๋อมันเป็นชีวิตที่มันมีคุณค่ามากกว่า ที่เราเคยทำอะไรมาก็ตามผ่านๆมาแล้วแต่มันอยู่ลักษณะนี้ได้มีโอกาสทำวัดเช้าทำวัดเย็นบิณฑบาตฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่สำันมันก็มีอารมณ์นะ่นเป็นประสบการณ์ตรงอะ่ะแล้วเราก็จับประเด็นได้เด้วมาอ๋อไอสิ่งที่เราทำน้ำปลากราที่มันก็เปเหมือนกันที่ครูบาอาจารย์ท อาจารย์ท่านบอกเราสรุปจากประเด็นเราไปทําไอ้สิ่งที่ท่านพูดก็มีที่ตัวเราปรามีตัวเราแล้วก็พูดในสิ่งที่เราทํานะก็เลยเป็นสิ่งเดียวกันความจริงนะความคิดหลวงเผอก็แปลเป็นทุกข์นะตัวความคิดถ้นะามันรู้แล้วติดรู้มันทุกข์จริงๆริงจกว่ามัน มันรู้แล้วมันก็วางรู้รู้แล้วก็วางมันไม่ใช่วางแล้วทิ้ง น, นะมันวางแล้วก็หยิบใช้มันจะเกิดหน้าที่การคิดและพูดคิดและทำกัสอดคล้องกันไปนก็เป็นเรื่องของความเจริญเป็นเรื่องของตัวเองแล้วก็ไปประโยชน์คนอื่นแล้วก็สังคม เพราะนั้นจุ่จรวัดป่าสุกโตเราก็ได้ยินได้ฟังใ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าจะเป็นคำพูดเนะี่ยไม่ใช่ธรรมดานะี่ยกว่าจะพูดได้ฟังประโยชน์ผ่านมาทั้งหมดเนะี่ยที่เราฟังอยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีนะมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกเพราะเรื่องการจัดระบบความคิดระเบียบเรามาพูดอย่างนะี้ไม่ใช่ง่ายเพราะว่ามีการสรุปแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ทำโพลออกมาเลยนะฝรั่งเนะ่ิงที่น่ากลัวที่สุดเนะี่ยไม่ใช่กลัวตายแลยแต่กลัวมาพูดในที่สาธารชนกลัวไมเนี่ยแหละตุ่ยตับตตุตับเลยนะบางทีอยากจะพูดอยากจะพูก็ไม่พูดแต่พอไปอยู่คนเดียวไปอยู่คนสองคน3มคนนะอยู่กลุกเคลียพูดกันดีจังแต่พอ จ, จับไมเนะี่ยพูดไม่ออกพูดไม่เป็นเนี่ยมันคือความแตกต่างระหว่างคนที่ฝึก พอคนที่ฝึกปั๊บมันจับไม้ปั๊บมันพูดเลยพอมีประสบการณ์ในในใจของเราแล้วเอลอยในใจของเรานีมาพูดให้กับตัวเราเองฟังเหมือนกับตัวเองกําลังสอนตัวเองตัวองกำลังทบทวนตัวเองมันมีล่องมีลอยอยู่แปลว่าสิ่งที่เราทำจริงๆไม่ได้จํำมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทามันพูดไปไม่ผิดฮะมันกลายเป็นเรื่องของตัวเองที่กำลังพูดสัจจะแล้วก็เป็นธรรมะคนอื่นฟังโอ้นี่มันก็คือสัจธรรมะ มีที่เขามันก็มีที่เราก็เห็นรอยเป็นรอยอันเดียวกันถ้าูดถึงสติก็มีรอยสติจริงพูดถึงเสียนมีลอยเสียนจริงมีสมาธิมีลอยสมาธิลอยปัญญามีอยู่ลอยความรู้ลอยความหลงมีรอยการปวดหัวลองลอยการติดกาแฟมาแล้วก็ตั้งใจด้วยตั้งสัจจะด้วยต่อไปนี้จะไม่กินกาแฟ จะเลิก อ, อันนี้มันเด็ดขาดพวกเราว่าเด็ดขาดไหมติดกาแฟแล้วจะเลิกกาแฟเด็ดขาดไหมคนติดบุหรีแล้วก็เลิกบุหรีเด็ดขาดไหมคนที่เคยทุกเพราะเรื่องใดแล้วเห็นว่าอันนั้นก็เป็นเหตุแห่งทุกแล้วก็จะวางเหมือนกันเลิกละแล้วก็เลิกมันลดละแล้วก็เลิกอมันหน้ามโนนาแนละ้วตรวเนี้ยเพราะฉะนั้นเราได้ฟัง ก็จิตใจที่มันเป็นบุญที่เราเหมือนกันบุญของตัวท่านก็นไหลมาหาเราเหมือนกันมันอนุโมทนาร่วมกันสักสามครั้งอาศุาธุจารุจารุอนุโมทามิที่เหลืออยู่อีกสิบวันก็จะเก็บอารมณ์มานะฟังๆดู น, ะนาโมตนายอย่างเงี้ยหลอกตัวรู้ ก, กับตัวหลงรนะู้สึกตัวกับมันหลงกันไปในอารมณนะ์แต่รอยชัด ต, ตรงนั้นมันจะเกิดการเรียกว่าบรรลุธรรมได้เลย ดู่านความคิดเห็นความคิดดูความคิดเป็นวางความคิดเป็นประตูของการเดินทางเมืองตน้นแล้ววันนี้เห็นว่าสมควรเวลาเรากราบพร้อมกัน